นิวรณข้อที่สอุทจักกุกกุจจกความฟุ้งซ่านรำคาญท่านให้ใช้กสินภาวนามาเป็นเครื่องปราบนิวรณข้อนี้ความรำคาญเอาการุณามาแก้ก็ได้ครับเช่นเรารำคาญเด็กที่มาเล่นหน้าบ้านถ้าแผ่ความการุณาไปว่าเป็นความสุขของเด็กนะที่ได้เล่น เป็นความสุขของเราที่ได้อ่านหนังสือแช่างมันเถอะอันนี้ไม่เข้าหดหงิดอุทจักกุกุจจกนี่มันเป็นความรําคาญตัวเองฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านมันเอาใจไม่อยู่ทําให้สิ่งที่ไม่อยากคิดก็ไปคิดสิ่งที่ต้องการคิดก็ไม่คิดเมื่อคิดไม่ได้ก็เลยเกิดรําคาญตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ รำคาญตัวเองไม่ได้อย่างใจเลยรําคาญข้างนอกก็มีอย่างรําคาญเสียงนาฬิกาเวลาจะนอนความจริงเอามากําหนดใจให้อยู่กับเสียงนาฬิกาคือเอามาเป็นกรรมฐานไปเลยเดี๋ยวก็หลับคนที่ไม่ฟุ้งซ่านจิตใจเขาจะดีเป็นเอกัคคตาคือมีอารมณ์เดียวต่อสิ่งที่กําลังทำอยู่ไม่วอกแวกไปในที่อื่น ฉะนั้นในที่นี้ถ้าเกิดฟุ้งซ่านรําคานก็เพ่งกสินภาวนาคือเพ่งอะไรสักอย่างหนึ่งให้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสิ่งเดียวเพื่อต้องการให้ไม่ฟุ้งซ่านมันเป็นการเก็บอารมณ์ให้มาอยู่ในที่เดียวความฟุ้งซ่านก็จะหายไปความรําคาญก็จะระงับไปด้วยทีนี้ในตํารากรรมฐาน ท่านก็ให้เพ่งกสินสิบแต่ใช้อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่อะไรจะผูกใจไว้ได้ก็จะมาช่วยแก้ความฟุ้งซ่านรำคาญ น, นิวรข้อที่5วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่แน่ใจลงไปตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรจะเอาอย่างไรความตกลงใจไม่ได้สักอย่างหนึ่ง คือจะปฏิเสธก็ไม่ได้จะรับก็ไม่ได้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้จิตใจว้าวุ่นเหมือนกันเพราะถ้าเราตัดสินใจเด็ดขาดว่าไปแน่มันก็ดิ่งไปในทางที่จะไปถึงจะมีอุปสรรคก็หาทางแก้ปัญหาได้หรือเราไม่ไปแน่อยู่บ้านแน่ไม่ลังเลก็สงบไป ทีนี้ในระหว่างที่ลังเลมันทำให้จิตใจว้าวุ่นไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรนี่เป็นวิจิกิจฉาทั่วทั่วไปเราก็ฝึกหัดตัดสินใจให้แน่นอนไม่ลังเลมากเกินไปส่วนวิจิกิจฉาในนิวรเราลองดูธรรมที่นำมาแก้จะรู้ว่าวิจิกิจฉาคืออะไรทาตุวะวัตฐาน การกำหนดธาตุคือกำหนดสิ่งทั้งหลายโดยความเป็นธาตุสัก์แต่ว่าธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เห็นเป็นเพียงธาตุสี่หรือธาตุ5าประชุมกันจึงสมมุติเรียกว่าคนบ้างสัตว์บ้างต้นไม้บ้างภูเขาบ้างเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นก็จะคลายความสงสัยที่ได้ยินได้ลิ้ม ได้สุดดมได้ถูกต้องทีนี้ก็หายสงสัยในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมและในคุณของพระสงฆ์วิจิกิดฉาในตัวตนว่าเรานี่คือใครเรานี้คืออะไรคนบุคคล น, นี้คืออะไรอะไรคืออะไรที่เกี่ยวกับสัตว์บุคคลท่านให้กำหนดธาตุก็เพื่อให้เห็นว่า ที่เราเรียกว่าสัตว์บุคคลต้นไม้เป็นเพียงธาตุสักแต่ว่าธาตุมารวมกันเข้าจึงสมมุติเรียกว่าคนต้นไม้เป็นต้นเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุแล้วความสงสัยก็จะหายไปแล้วคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าสอนนี้จริงแท้เหตุเกิดของวิจิกิจฉาคืออโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายความคิดไม่เป็นธรรมที่เป็นเครื่องละก็คือโยนิโสมนสิการเหตุเกิดนิวรณและธรรมสำหรับละนิวรหนึ่งกามฉันทะความพอใจในกามคุณ เหตุเกิดของนิวรณตัวนี้คือสุพนิมิตหมายถึงความกำหนดหมายว่าสวยงามเป็นเหตุให้เกิดกามฉันทะขึ้นทมสำหรับละก็คืออสุพนิมิตการกำหนดหมายว่าไม่งาม 2. พยาบาทเหตุเกิดก็คือปฏิคะนิมิตความกำหนดหมายว่าถูกกระทบกระทั่งความหงุดหงิดในใจ ทมสำหรับละคือเมตตาถ้าให้สูงขึ้นไปก็เป็นเมตตาเจตโตวิมุตต์เมตตาขั้นอัปปนาหรือความหลุดพ้นแห่งใจขั้นอัปปนา 3. ามทีนามิทธะความงั่วงงนมืนซึมเกียดคร้านเหตุเกิดก็คือความไม่พอใจความอ่อนเพลียความเกียดคร้านความเมาอาหาร คือกินมากจนอึดอัดความที่จิตโหดโหทำที่ใช้ละคืออารัพาธาตุคือความคิดริเริ่มปรากมทาธาตุความบากบั่นมั่นคงนิกมทาธาตุความก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ 4. อุทธจักกุกุจจะเหตุเกิดก็คือความที่จิตไม่สงบ เจตโสอวุปสโมฟุ้งซ่านรำพันธรรมสำหรับละคือความสงบแห่งจิตเจตโสวุปสโม 5. วิจิกิจฉาดังเลสงสัยไม่แน่ใจเหตุเกิดคืออโยนิโสมณสิการการทำไว้ในใจโดยไม่แยบขายคิดไม่เป็นความคิดไม่ถูกต้อง ทำสาหรับละก็คือโยนิโสมณสิการการทําไว้ในใจโดยแยบขายความคิดเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นระบบทําให้ละวิจิกิจฉาได้เหตุเกิดเหตุดับนิวรชุดนี้มาจากพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายเล่มที่20สข้อ12ถึง21อ็ด ข้อหกามาชันทะเหตุเกิดคือสุพนิมิตแต่ปัจจุบันวัดทุกวัดก็เน้นความสวยงามอันนี้จะเป็นปฏิปักษ์ต่อการบำเพ็ญสมถะหรือเปล่าอันนี้เป็นความสวยงามที่ก่อให้เกิดกิเลสก็มีความสวยงามที่ไม่ก่อให้เกิดกิเลสก็มีอย่างนั่งรถผ่านวัดเบญจมาบพิษเห็นโบสถ์สวยงามก็ยกมือไหว้ อย่างนี้ไม่ทำให้เกิดกามาฉันทะทำให้จิตสงบได้เหมือนกันสวยยังไงถึงทำให้เป็นกามาฉันทะปกติที่ที่สวยแต่จิตใจไม่ได้ไปพัวพันหมกมุ่นหรือว่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยเท่านั้นเหมือนอาหารถ้าคอยกำหนดใจอยู่ไม่ให้ไปติดในรสของอาหารทำให้อร่อยก็ได้ ข้อสำคัญผู้นั้นคอยระวังจิตอยู่ไม่ให้ถูกความอร่อยนั้นครอบงำผู้ปฏิบัติต้องสำรวมลิ้นเอาเองคนเราไปไหนก็ต้องเห็นสิ่งสวยงามเราจะไปห้ามสิ่งสวยงามไม่ได้อย่างคนเขาเกิดมาสวยห้ามเขาสวยก็ไม่ได้แต่เมื่อเห็นเขาสวยแล้วเราจะวางตัวยังไงกับความสวยของเขา เราต้องระวังเอาเองสำรวมเอาเองความสะอาดของวัดจำเป็นแต่ความสวยงามไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเสนาสนะนี้เป็นแต่เพียงธาตุศักิแต่ว่าเป็นที่อาศัยไม่ใช่เพื่อเมาไม่ใช่เพื่ออะไรต่างๆบางวัดในต่างจังหวัดวัดสวยมีสวนยอมสวย อย่างนี้เป็นกามฉันทะไหมเป็นหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าทำให้เรียบร้อยต้องเรียบง่ายไม่มุ่งความหรูหราแต่มุ่งความสงบร่มรื่นไม่แพงเหล่านี้สำคัญกว่าข้อสองพยาบาทเหตุเกิดคือปฏิคานิมิตคือได้เห็นแล้วเกิดความหงุดหงิดใจ คือทั้งหอายตนะแหละครับถ้าเกิดหงุดหงิดแล้วโกรธโกรธนี่ยังเก็บอยู่แต่ถ้าต่อไปเป็นโทสะก็เริ่มเก็บไม่อยู่ต้องคอยเจริญสติคอยระวังว่าบัดนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราทำยังไงมันถึงจะดับไปถ้าเผื่อเป็นกุศลก็ทำให้มันมากขึ้นแต่ถ้าเป็นอกุศลก็ต้องคิดว่า ทำยังไงมันถึงจะดับไปเมื่อก่อนเราใช้คำว่าลดละเลิกข้อสทีนามิทธะความง่วงงุนมึนซึมเกียดคร้านเมาอาหารกินข้าวแล้วมักจะ ง, ง่วงขับรถไม่ไหวอยากนอนหรือจิตหดหูซึมเศร้าก็อันตรายบางทีขับรถไปชน หรือเกียจคร้านไม่อยากทำอะไรอยากนอนทางแก้คือความคิดริเริ่มก็คือเริ่มทำได้แล้วแล้วก็บากบั่นทำไปไม่หยุดอยู่กับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพียงแต่หยุดอยู่ก็ถือว่าเป็นความเสื่อมสมมุติว่าเราถึงตรงนี้ยังไม่ถึงความเสื่อมแต่ก็หยุดอยู่ถ้าเวลาล่วงไปถ้าเราไม่หยุด เราก็ไปถึงข้างหน้าแล้วมันก้าวไปได้อีกหลายก้าวพอหยุดอยู่เวลามันไปเรื่อยก็เท่ากับเราถอยหลังข้อสอุททัศจกุ ก, กุจจะความไม่สงบแห่งจิตฟุงงซ่านต้องหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้จิตสงบนั่นต้องอีกกระบวนการหนึง่งข้อห้า วิจิกิจฉาลังเลสงสัยการทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายคําว่าแยบคายเราดูแค่ไหนยังไงคือการทําไว้ในใจโดยไม่ทีพ้วนไม่ละเอียดละอไม่ใช้ปัญญาคําขยายก็คือคิดไม่เป็นและบางทีคิดไม่เป็นแล้ว ค, คิดไม่ถูกต้องด้วยการที่จะทํางานนี่บางคนคิดว่า ทำดีหรือไม่ทำดีทำก็ตายไม่ทำก็ตายไม่ทำดีกว่านี่คืออายโยนิโสมานสิกการแต่ถ้าคนเขาคิดเป็นทำก็ตายไม่ทำก็ตายงั้นทำดีกว่าเพราะว่าถ้าได้ทำสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือผลงานแต่ถ้าไม่ทำเมื่อตายก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ หัวข้อต่อไปพรมวิหารสี่ต่อไปจะเริ่มสมถภาวนามีพรมวิหารเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ของสมถภาวนาอย่างหนึ่งผมจะพูดย่อๆสั้นๆ น, นะครับในการทำสมถะมีสี่สิบอย่างว่าให้เลือกทำสมถะตามจริตของแต่ละคนพรมวิหารเป็นกรรมฐานสำหรับคนทั่วไป ไม่ว่าใครมีจริตอะไรก็ควรทำทั้งนั้นพรมวิหารแปลว่าทำอันเป็นเครื่องอยู่อันประเสริฐของใจหนึ่งเมตตาเมตตาก็คุยกันมาเยอะแล้วผมขอผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ขอเพิ่มก็คือให้พยายามก้าวขึ้นไปถึงเมตตาสีมะสัมเพส คือเมตตาที่ไม่มีเขตแดนหรือทำลายเขตแดนคือเขตแดนระหว่างเราคนที่เรารักคนที่เฉยเฉยกับเราคนที่ชังเราคือไม่มีเขตแดนมีเมตตาเสมอกันในระหว่างคนที่รักเราคนที่เฉยเฉยกับเราคนที่จองเวรเราส่วนมากมีเมตตาจริงแต่ไม่ทำลายเขตแดนคนนี้รักเราเราก็มีเมตตามากหน่อย คนที่เกลียดเราเราก็เกลียดด้วยอย่างนี้ยังทำลายเขตแดนไม่ได้คือเขาจะทำอย่างไรกับเราก็ตามใจแต่เราจะมีเมตตาต่อเขาเสมอคือมีความปรารถนาดีกับคนทุกคนมีเมตตามีความหวังดีกับคนทุกคนท่า น, นเปรียบอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรานั่งกันอยู่สีห้าคนในห้องแล้วก็มีโจรเข้ามา จะขอชีวิตคนหนึ่งเอาไปบูชายันบอกให้เขาเลือกเอาคนไหนก็ได้เรียกเมตตาสีมสํัเพสคือมีเมตตาเท่ากันหมดในสีห้าคนที่นั่งอยู่ถ้าเราอาสาเองก็ถือว่ายังไม่ชอบทำยังไม่ถูกต้องตามหลักอันนี้ถือว่าชีวิตเรากับชีวิตผู้อื่นเสมอกันถ้าเราอาสาเองก็ไม่เห็นค่าชีวิตของตัว หรือเห็นว่าชีวิตของตัวมีค่าน้อยโดยทั่วไปก็ทำได้เป็นความเสียสละแต่ถ้าในกรณีของเมตตาสีมสัมเพสนี้ไม่ได้ต้องปล่อยให้เขาเลือกเองทีนี้มีคนสงสัยสมมุติว่านั่งกันหลายคนคนหนึ่งเป็นคนที่ชีวิตมีประโยชน์มากแต่อีกคนเป็นคนที่ชีวิตมีประโยชน์น้อย ก็น่าจะรักษาชีวิตของคนที่มีประโยชน์มากเอาไว้ก็สละชีวิตของคนที่มีประโยชน์น้อยไปโดยธรรมดาก็คิดกันอย่างนั้นก็ทำได้แต่ในหลักของเมตตาสีมสสัมเพสท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นท่านให้เขาเลือกเอาเองไม่ต้องไปชี้ท่านให้มีเมตตาแผ่ไปให้สัตว์โลกทั้งปวงสัป บ, บาวันตังโล ก, กังไม่เลือก 2. กรุณามาถึงความกรุณานำทุกออกเมตตานั้นนำสุขเข้าไปให้แก่คนทุกคนกรุณานี่นำทุกออกเวลาแผ่กรุณาก็คือสับเบสัตตาดุขขาปมุจจนตุขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดมีความหวั่นใจต่อความทุกของผู้อื่นความทนไม่ได้ เป็นลักษณะของมหาบุรุษมหาปุริสะภาวัสสะลักพนังกรุณาสโฮมีความหวั่นใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นเสมอด้วยความทุกข์ของตนจึงไม่นำทุกข์เข้าไปให้ใครมีความปรารถนาแต่จะนำทุกข์ออกเวลาแผ่กรุณาท่านให้แผ่ไปยังคนตกยากก่อนคนกำพร้าคนเข็นใจคนพิการ คนตกทุกข์ได้ยากต่างๆคือมองไปด้วยใจทุกทิศจะมองเห็นคนพวกนี้เยอะก็พยายามมองให้เห็นคนพวกนี้แล้วแผ่กรุณาออกไปยังคนพวกนี้ถ้าไม่มีคนตกทุกข์ได้ยากหรือแผ่ให้คนตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ให้แผ่ไปถึงคนชั่วคือแทนที่เราจะเกลียดชังคนชั่วก็ให้มีจิตใจกรุณาอ่อนโยนต่อคนชั่ว เพราะว่าคนชั่วนี่หาความสุขในใจไม่ได้บางทีเราเห็นเหมือนเขามีความสุขแต่ในใจจริงๆแล้วเขาหาความสุขไม่ได้เลยอย่างคนที่ฆ่าคนค่าแล้วก็เดือดร้อนต้องหนีไปต่างประเทศการแผ่กุณาไม่ใช่ไปช่วยในลักษณะชาวนากับงูเหา่าไปช่วยให้เขาไม่ต้องรับโทษอะไรต่างๆ เราเพียงแต่แผ่ไปอยากให้เขาพ้นทุกข์ตั้งจิตช่ไหนหนอเขาจะได้พ้นจากความทุกข์ปรารถนาดีตลอดแม้จะเอาเขาไปลงโทษเข้าคุกแต่ก็ยังมีใจกรุณาจิตใจของคนอย่างนี้ก็จะผ่องแผ้วอย่างม้าแข่งวิ่งไปหกล้มขาหักเขาจะฆ่าเลยเรียกว่าฆ่าด้วยความการุณาเมอร์ซี่คิลลิ่ง อันนี้ยังตัดสินไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำเวลานี้มีปัญหาทางนี้มากเลยครับทั้งทางแพทย์ทั้งทางจริยศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางจริยศาสตร์จะถกเถียงกันมากยังตัดสินเป็นเอกฉันไม่ได้ดูคนที่แขนขาด้านวนก็ยังหาวิธีที่จะไปไหนด้วยอกคนทุกคนรักชีวิตของตัวเอง มันเป็นสัญชาตญาณลึกๆเรียกว่า the will to live คือเจตจำนงในการที่จะมีชีวิตอยู่ของสัตว์โลกทั้งปวงสามุทิตาการแผ่มุทิตาสัปเเสัตตามาลัทธสัมปติโตวิคัตฉันตุให้บริการบ่อยๆแผ่มุทิตา ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยอันนี้ก็คือพยายามทําใจให้อนุโมทนาหรือยินดีต่อสมบัติของผู้อื่นไม่ริษยาสมบัติของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสมบัติอะไรที่ชื่อว่าสมบัติจะเป็นคุณสมบัติทรัพสมบัติยศสมบัติที่ผู้อื่นเขาได้รับก็หัดแผดจิตมุทิตาบ่อยๆเรื่อยๆ และทำในใจเอาไว้ว่าไม่มีใครในโลกที่ควรริษยาเลยเพราะว่าทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์อยู่ทั้งนั้นที่ถูกเป็นคำว่าริษยานะครับส่วนอิจฉาเป็นคำภาษาชาวบ้านริษยาคือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้แต่อิจฉามันเป็นความต้องการภาษาบาลีเป็นอิดสา ภาษาสันสกฤตเป็นริศยาแปลว่าทนไม่ได้ต่อการได้ดีของผู้อื่นบางท่านเรียกว่าเป็นโรคแสลงดีถ้าคนไข้แสลงยาก็คือรักษาไม่ได้ยาเป็นของแก้โรคแต่เข้าไปแสลงกับยาก็ไม่มีทางหายโรคถ้าแสลงดีก็คือทนต่อความดีไม่ได้คนเข้าพยายามหาความดีใส่ตัว แต่ไม่ได้หาชั่วใสคนอื่นนะครับหาดีใส่ตัวนั้นดีแต่หาชั่วใสคนอื่นนั้นไม่ดีมีนิทานคติคนโลภกับคนริษยาเป็นศัตรูกันไม่อยากให้ใครได้อะไรตามเรื่องว่าเทพได้ประธานพรว่าขออะไรก็ได้แต่คนที่ขอทีหลังจะได้สองเท่าคนโลภก็ไม่อยากขอก่อนเพราะขอก่อนได้น้อยกว่า พยายามขอทีหลังคนริสยาก็เลยขอก่อนขอว่าขอให้ตัวตาบอดข้างเดียวคนโลกก็เลยตาบอดสองข้างนี่คือเรื่องของคนริสยากับคนโลกจริงๆถ้าเผื่อไม่ริสยาขอให้ตัวได้อะไรที่ต้องการสักสองสอย่างอีกคนหนึ่งได้ห้าหกอย่างก็ช่างเป็นไรขอให้ได้บ้านสามหลัง อีกคนได้หกหลังก็ไม่เห็นเป็นไรมีมากเข้าก็เดือดร้อนเองทำอย่างไรจะให้ไม่ไปริษยาคนอื่นธรรมที่เป็นเครื่องแก้คือมุทิตาท่านสอนในเรื่องปัตตานุโมธนาไมนั่นก็คือมุทิตาอนุโมทนาต่อบุญของผู้อื่นเพื่อไม่ให้ไปริษยา บางทีท่านที่มีอายุมากห้าหกรอบทาบุญลูกหลานก็ไปร่วมแสดงมุทิตาจิตเหมือนกันแต่ว่าอย่าร่าเริงเกินไปถ้าร่าเริงเกินไปมันก็จะเป็นค่าสึกของมุทิตาเช่นเราได้เลื่อนยศไปเลี้ยงฉลองกันร่าเริงมากแล้วก็เมาขับรถชนเกิดภัยพิบัติขึ้นมันเป็นค่าสึกใกล้ของมุทิตา ฉะนั้นคนที่มุติตาต้องระวังค่าศึกใกล้คือร่าเริงเกินไปยินดีเกินไปเอาเพียงกลางกลางคือมัชิมาปฏิปทาในสาม ก, ก๊กจิวยี่ริศยาองเบ้งมากจนอาเจียนเป็นเลือดฟ้าให้จิวยี่มาเกิดทำไมจึงให้ขงเบ้งมาเกิดได้เล่าพระเทวทัตริศยาพระพุทธเจ้าจนแผ่นดินสุก พระนางมาคันทิยาด้เสยาพระนางสา ม, มาวดีพยายามฆ่าหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วก็พยาบาทพระพุทธเจ้าด้วยในที่สุดภัยมาถึงตัวดุขโตดุขถานังถูกฝังกลบไถ่ทั้งเป็นผลร้ายแรงมีชาโดกเรื่องพระโลสกะเป็นสิทธิของพระสารีบุตรท่านน่าสงสารมากตอนเด็ก ไปเที่ยวเก็บข้าวที่เขาล้างหม้อแล้วทิ้งนั้นมาเก็บกินวันหนึ่งพระสารีบุตรไปเจอเข้าวสงสารพามาบวชบวชแล้วก็บินทบาทไม่ได้พอเปิดบาทคนก็เห็นเป็นเต็มบาทก็ไม่ใส่บาทท่านก็อดอยู่อย่างนี้เป็นประจำท่านบวชเนนก่อนต่อมาก็บวชพระนะครับบางครั้งพระสารีบุตรพาไปบินธบาท ธรรมดาพระสารีบุตรนี่คนในเมืองเคารพเลื่อมใสามากวันไหนพระโลสกะไปด้วยพระสารีบุตรไม่ได้แม้แต่การยกมือไหว้พระสารีบุตรท่านก็รู้อันนี้เป็นกรรมในอดีตของพระโลสกะที่เคยบวชเป็นเจ้าอาวาสในสมัยของพระกัตสปะสา ม, มาสัมพุทธเจ้าศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเรานะครับ ก็เป็นเจ้าอาวาสมีกุรุมพีตระกูลหนึ่งอุปถากอยู่วันหนึ่งพระอาหารหัน์รูปหนึ่งผ่านมาทางนั้นกุรุมพีเห็นแล้วเลื่อมใสนำมาฝากไว้ที่วัดตอนเย็นก็มาบํารุงมาสนทนาปฏิบัติ ด, ดีนะครับเจ้าอาวาสไม่ทราบว่าพระอาคันตุกะเป็นพระอาหารหันเห็นกุรุมพีโยมของตัวบํารุงดีก็มีจิตดิเสยา คิดว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปเราแย่แน่ก็เลยหาทางให้ออกไปไม่ให้อยู่ตอนเช้าออกบินทบาทก็ไปเคาะประตูเบาๆด้วยหลังเล็บเป็นเชิงว่าเรียกแล้วเป็นกิิยาว่าชวนแล้วให้ไปบิทบาดคุดุมพีก็มาถามว่าพระที่มาเมื่อวานทำไมไม่มาด้วยท่านก็บอกว่าสงสัยเมื่อวานฉันดีเกินไปก็เลยนอนยังไม่ตื่น คุดุมพีก็จัดของฝากไปให้ของดีทั้งนั้นเจ้าอาวาสก็คิดว่าของดีอย่างนี้พระองค์นั้นฉันแล้วเอาเชือกมาลากคอก็คงไม่ไปต้องไม่เอาไปให้ถึงเขาทิ้งในน้ำก็กลัวจะลอยขึ้นทำยังไงก็ไม่ได้ทั้งนั้นพอดีเห็นเขาเผาสั่งข้าวอยู่ก็เลยเอาไปเผาที่สั่งข้าวกลับมาถึงวัดพระอรหัรท่านรู้ท่านนึกว่า โมฆะบูรุษผู้นี้นึกว่าเราเป็นผู้ติดในตระกูลติดในลาบสักการะท่านก็ไปตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าอาวาสก็นึกว่าเอหรือจะเป็นพระถีนาศก็กรู้สึกผิดตั้งแต่วันนั้นมาก็เสียใจผ่ายผอมเป็นเปรตในร่างของมนุษย์ในที่สุดก็ตายไปเกิดในนรกเป็นเวลานานแล้วก็ไปเกิดเป็นยักษ์ไม่เคยได้อาหารอิ่มท้องเลย แล้วมาเกิดเป็นสุนนักอีกหลายชาติก็ไม่เคยได้อาหารอิ่มท้องมาชาติสุดท้ายนี้ก็มาเกิดเป็นพระโลส ก, กะตั้งแต่ถือปฏิสนธิพ่อแม่ก็จนลงจนลงคนในหมู่บ้านนั้นก็ลำบากพระสารีบุตรพาไปบินธบาทบาดเปล่าคนก็เห็นเป็นเต็มบาทก็ไม่ใส่บาทก็อด พระสารีบุตรท่านพิจารณาเห็นลูกศิษย์คนนี้จะนิพพานแล้วในวันนี้คือรู้กรรมของตัวจึงเพียรพยายามจนได้เป็นพระอาราหันต์แต่ก็ไม่ได้อาหารพระสารีบุตรต้องให้กลับไปก่อนพระสารีบุตรบินธบารูปเดียวบินธบารได้พอสมควรแล้วก็รีบให้คนนาไปให้พระโลสกะบังเอิญคนที่นาอาหารไป ก็จำชื่อพระโลสกะไม่ได้ไม่รู้พระที่พระสารีบุตรให้นาอาหารไปให้ชื่ออะไรก็อดอีกพระสารีบุตรกลับมาสายแล้วถามว่าได้อาหารหรือยังก็ตอบว่ายังเลยครับท่านพระสารีบุตรยิ่งสลดใจตอนที่ไปวางพระเจ้าปรเสนที่โกศล เห็นว่าสายแล้วพระเจ้าเปรเียญที่โกรศนจึงถวายพวกน้ำพึ่งบ้างน้ำอ้อยบ้างถวายเต็มบาทพระสารีบุตรต้องยืนถือให้ฉันมือสุดท้ายนี้ได้ฉันอิ่มที่ได้ฉันเพราะพระสารีบุตรยืนถือบาทอยู่ถ้าส่งบาทให้ก็คงไม่ได้ฉันฉันเสร็จแล้วก็นิพพานเป็นเวรกรรมที่ริษยาพระอรหรันต์ สมัยที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในสมัยพระกัสสปะสมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องในชาดกนะครับที่จริงก็เป็นพระดีและมีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าคนที่เกิดมาเป็นพบสุดท้ายมีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์ถึงอย่างไรก็ไม่ตายจนกว่าจะบรรลุอรหรันต์ เหมือนดวงประทีปที่ครอบไว้ดีแล้วลมพัดก็ไม่ดับทํานองนี้นะครับก็มีพระเทระหลายรูปเช่นพระสังกิตจะเขานาไปเผาตอนที่อยู่ในท้องแม่ก็ไม่ไหม้จนสับปะเลอไปเจอเข้าเอาตะขอไปเขีย่ยังมีชีวิตอยู่ในท้องไม่ตายพระภากุระก็โดนปลางับเข้าไปในท้องก็ไม่ตาย ผ่าท้องปลาก็มีเด็กออกมาเป็นปัดชิมพวิโกคือมีพบสุดท้ายทำอย่างไรก็ไม่ตายจนกว่าจะบรรลุอรหัตผลอันนี้ก็แสดงให้เห็นแรงริสยาที่ชักนำไปให้ทำบาปกรรมต่างๆมากมายและมีผลเป็นทุกข์แก่ตัวให้มันจเจริญมุทิตาพลอยยินดีต่อความสำเร็จความสุขของผู้อื่น การแผ่มุทิตามันแผ่บ่อยๆจะให้แผ่ไปยังผู้เป็นที่รักก่อนมันไปง่ายต่อไปก็แผ่ไปยังคนที่เฉยๆต่อมาก็แผ่ไปยังคนที่มีเวรต่อกันคนที่เขามีเวรต่อเราเราไม่คิดว่าจะมีเวรต่อเขาแต่เขาเป็นผู้มีเวรต่อเราถ้าเขาได้ประสบความสุขความสำเร็จอะไรก็ยินดีด้วยถึงแม้เขาจะเป็นศัตรู ก็เป็นการฝึกจิตของเราเองให้มีจิตใจอ่อนโยนผ่องแพ้วกรรมาฐานมันไปได้ง่ายจเจริญกรรมาฐานได้ดีไม่มีอุปสรรคและคนที่มีชื่อเสียงนี่ยิ่งไม่ควรริสยาใหญ่เลยเพราะน่าสงสารไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองจะกินจะนอนไม่ค่อยมีเวลาอย่าไปริสยาเขาเลยยิ่งมีชื่อเสียงมากเขายิ่งเหนื่อยมาก คิดไปในแง่สงสารเขาค่าศึกใกล้ของมุทิตาคือความร่าเริงมากเกินไปยินดีเกินไปค่าศึกใกล้คือค่าศึกที่แฝงเรนถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นค่าศึกไกลหรือค่าศึกเปิดเผยเห็นชัดหรือตรงกันข้ามคือความริษยาทั้งสองตัวนี้เป็นค่าศึกที่ต้องระวังทั้งสองอย่าง เช่นเลี้ยงฉลองกันสาวันสามคืนกินเหล้ายาปลาปิ้งสนุกสนานร่าเริงเกินไปเสร็จแล้วก็เลยไปขับรถชนเป็นต้นผู้ที่เจริญมุทิตาต้องหัดชมคนให้เป็นด้วยชมถึงคุณความดีของเขาใครที่ประสบความสำเร็จมีความดีทางไหนมีความสามารถทางไหนก็ชมเขาบ่อยๆ เพื่อเป็นกำลังใจแด่ผู้ทำความดีแล้วก็หยาติเป็นอย่างเดียวได้ช่องติก็ติเขาบอกว่าช่างกลึงพึ่งช่างชักช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างรู้พึ่งช่างเรียนช่างติเตียนไม่ต้องพึ่งใครช่างอย่างอื่นต้องพึ่งครูช่างติไม่ต้องพึ่งใครเลยทีนี้การชมก็ต้องชมด้วยความจริงใจ บางคนชมด้วยความไม่จริงใจคนถูกชมเขาจับได้แล้วคำชมก็เป็นหมันไปไม่มีความหมายอะไรผมเคยได้ยินอีกอย่างหนึง่งชมครูให้ชมต่อหน้าชมค่าเมื่อแล้วกิจชมมิตรให้ชมรับหลังแต่ก็รู้สึกได้ผลนะครับมีคนบอกมาว่าคำชมเหมือนเอาปลาส้อยไปตกปลากัะพงคือลงทุนน้อยแต่ได้ผลมหาศาล แต่จริงใจไม่ใช่ยกอยอนะครับบางทีคนชมลืมไปตั้งนานแล้วแต่คนถูกชมยังจำได้มันติดอยู่ที่ใจฉะนั้นหากเป็นคนชมคนให้เป็นและชมจริงใจคนติมีสองอย่างพวกที่หนึ่งติด้วยแรงริศยาคือไม่ว่าอะไรติหมดเพราะแรงริศยามันผลักดันอยู่ข้างหลังทำให้ชมไม่ได้ต้องติอย่างเดียว พวกที่สองติด้วยความหวังดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งอย่าลืมมุ่ิทตากับความสุขความสำเร็จของตัวเองด้วยบางทีโมไปมุ่ิทตาอยู่กับผู้อื่นลืมมุ่ิทตาให้กับตัวเองแสดงความยินดีให้กับตัวเองที่ได้รับความสุขความสำเร็จมีอะไรก็ชื่นชมตนเองบ้างแต่ไม่ใช่ไปเที่ยวพูดจาให้คนอื่นฟังไม่รู้จบแค่นึกอยู่ในใจ ชื่นชมอยู่ภายในของตัวแต่ว่าให้รางวัลตัวเองบางทีขึ้นปีใหม่วันเกิดก็ให้ของขวัญตัวเองบ้างปีใหม่ปีนี้เอเราทำงานมาทั้งปีแล้วจะให้ของขวัญอะไรตัวเองบ้างเช่นว่าอาจซื้อของที่จําเป็นต้องใช้ให้ตัวเองบางคนให้ของขวัญตัวเองด้วยการบวชในเรื่องเมตตากรุณา เราเคยพูดแล้วว่าให้มีเมตตาการุณาต่อตนเองและผู้อื่นเสมอกันฉะนั้นเรามีมุทิตากับคนอื่นได้ก็ควรมีมุทิตากับตนเองด้วยท่านบอกว่าชมคนที่ควรชมและติคนที่ควรติแต่ถ้าไปติคนที่ควรชมและชมคนที่ควรติอันนี้ก็มีโทษมากคือว่า เหมือนกับมีขวานติดปากมาด้วยคอยเชื่อเชื่อตนเองและเชื่อเชื่อผู้อื่น 4. อุเบกขาการเจริญอุเบกขาเคยพูดมาหลายครั้งว่าพรหมวิหารสี่นี้สามข้อแรกเป็นธรรมที่รักษาคนแต่อุเบกขาเป็นธรรมรักษาธรรมคือว่าเพื่อ ร, รักษาธรรมเอาไว้ให้ยั่งยืนให้มั่นคง มิฉนั้นคุณธรรมจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอุเบกขาลองดูรายละเอียดก็จะเห็นนะครับประการที่หนึ่งวางใจเป็นกลางในเหตุสุดวิสัยไม่วุ่นวายเกินไปเห็นว่าสุดวิสัยที่จะช่วยได้แล้วมีเมตตาแล้วมีกรุณาแล้วมีมุทิตาแล้วแล้วก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องวางเฉยวางอุเบกขา เช่นว่าเมตตกับเพื่อนหรือเมตตกับลูกกรุณาต่อเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์เมื่อเขาได้ดีก็ยินดีทีนี้เขาไปทาความผิดจนถึงกับต้องไปติดคุกติดตารางเราก็สุดวิสัยที่จะช่วยได้ถ้าช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าสุดวิสัยก็ต้องวางอเบกคขาสุดวิสัยนี่ก็มองในแง่ของความยุติธรรมในแง่ของบ้านเมือง สมุติคนตกน้ำเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นตามคนมาช่วยก็ไม่มีก็ต้องวาง อ, อุเบกขาเป็นเหตุสุพิสัยหรือว่าที่จะทำให้เสียความยุติธรรมเช่นพ่อมีอำนาจเป็นลูกผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำผิดทำสิ่งที่ควรได้รับโทษแต่ด้วยการช่วยเหลือของพ่อก็ทำให้เสียความยุติธรรมทีนี้ถ้ากลับกัน ลูกเป็นตำรวจพ่อไปต้มเล่าเถื่อนทีนี้จะทำยังไงเป็นความลำบากมากในการปฏิบัติความดีชั่วถูกผิดเป็นสิ่งที่เข้าใจยากตัดสินยากบางทีเข้าใจแล้วแต่ตัดสินยากเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราจึงอวลละเวงเป็นพักๆเพราะอะไรมันก็ตัดสินยากว่าอะไรดีชั่วถูกผิด ในด้านการรักษากฎหมายมันก็ถูกนะครับแต่พอมาดูหน้าที่ของลูกเขาควรจะทําอย่างไรกับพ่อฉะนั้นถึงบอกว่าตัดสินยากที่นี้ทางศีลธรรมก็ค่อนข้างตายตัวแต่ถ้าทางจริยศาสตร์ก็มีลักษณะยืดหยุ่นเช่นพูดเท็จศีลธรรมตัดสินตายตัวลงไปเลยคุณพูดเท็จคุณผิดศีลข้อสีมุสาวาทแน่นอน และอาจจะพูดไปถึงว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณผิดศีลแต่พอไปถึงจริยศาสตร์ท่านจะยืดหยุ่นพิจารณาว่าการพูดเท็ตนี้ให้คุณหรือให้โทษแก่ใครผิดศีลจริงแต่ไม่ทำร้ายใครแต่กลับเป็นการอำนวยประโยะน์ให้แก่คนหลายคนอย่างนี้ท่านอนุโลมสมมติเราไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินควงกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเรารู้ว่าไม่ใช่เมียของเขาต่อมาเมียเขามาถามว่าเห็นสามีเขาเดินกับผู้หญิงคนนั้นไหมถ้าเราบอกตรงๆผัวเมียก็จะต้องทะเลาะกันแต่บอกไม่เห็นถ้าถือตามหลักจริยศาสตร์ท่านก็ถือตามนี้คือถ้าเห็นว่าพูดไปก็เป็นโทษครอบครัวเขาแตกกันแน่เลยก็ยอมพูดเท็จเล็กน้อยเพื่อประโยชน์กับคนทุกฝ่าย และกรณีอย่างนี้ผู้พูดเองก็ไม่รู้สึกว่าผิดรู้สึกว่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคนทุกฝ่ายทหารไปรบถูกจับเป็นเฉลยข่าสืบ ก, ก็ต้องมารียดเอาความจริงถ้าเราพูดความจริงบ้านเมืองก็ต้องเสียหายเราต้องบอกไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็ตามหลักจริยศาสตร์ถ้าถือสินธรรมก็ต้องบอกเขาหมด เรื่องพวกนี้จึงต้องใช้วิจารณญาณมากเพื่อประโยชน์แก่คนทุกฝ่ายคือว่าความจริงไม่ใช่จะพูดได้ทุกอย่างและสิ่งที่ไม่จริงก็ไม่ใช่จะพูดไม่ได้เสียทุกอย่างผมเคยยกตัวอย่างเช่นว่าคนข้างวัดถูกจ้างวานให้มาฆ่าเจ้าอาวาสเพราะมีกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดแล้วก็มีคนข้างวัดเสียประโยชน์ เขาจ้างวานมาแต่คนรับจ้างไม่รู้จักเจ้าอาวาสเข้ามาในวัดก็มาเจอพระรูปหนึ่งกวาดขยะอยู่ก็ถามว่าเจ้าอาวาสอยู่กุฏิไหนเจ้าอาวาสท่านรู้ตัวว่าคนนี้มาไม่ดีแน่ท่านเป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่าบอกไม่ใช่เจ้าอาวาสอยู่กุฏิโน้นแล้วก็เลี่ยงไปเสียในกรณีอย่างนี้ท่านเจ้าอาวาสพูดท็จ แต่การพูดเท็จเล็กน้อยของเจ้าอาวาสเป็นอาบัตปาจิตตีโปรงอาบัตได้แต่ว่าประโยชน์ยิ่งใหญ่ท่านไม่ต้องตายโดยไม่จำเป็นประการที่สองคนนั้นไม่ต้องเป็นอาญยากรโดยไม่จำเป็นแล้วก็จะมีคนเดือดร้อนอีกมากมายถ้าเกิดฆาตกรรมขึ้นแต่ท่านพูดเลี่ยงเสียนิดหน่อยเท่านั้นความสงบสุขก็เกิดขึ้นกับคนทุกคน ต่อมาคนที่รับจ้างไปฆ่าพระนึกไปนึกมาก็กลับใจได้แล้วก็เอาเงินไปคืนคนจ้างถ้าเป็นการรักษาคำพูดจริงเพื่อรักษาธรรมเราไม่พูดเท็จจะได้ไหมต้องดูว่าคำพูดจริงมันก่อให้เกิดโทษกับใครบ้างแต่ถ้าพูดแล้วไม่จริงเราจะรักษาความสัตย์เอาไว้การพิจารณาก็ถือตามภารรษิตของพระวังทีส สัจเจอัตเทจะทำเมจะอาหุสันโตปฏิทิตาสัตบุรุษทั้งหลายย่อมดำรงอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมสัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นธรรมก็ไม่ต้องรักษาก็ได้มีพระรูปหนึ่งเดินไปตามทางเจอผู้ชายคนหนึ่งวิ่งราวของเข้ามาตำรวจวิ่งตามพอตำรวจไปถึงพระก็ถามว่า เห็นผู้ร้ายวิ่งมาทางนี้ไหมท่านก็ขยับเท้าไปยืนอีกที่หนึ่งและบอกว่าตั้งแต่มายืนอยู่จุดนี้ไม่เห็นอย่างนี้คือท่านเลี่ยงไม่ต้องการไปยุ่งกับเรื่องเหล่านั้นในกรณีที่จำเป็นเรื่องนี้เคยมีในวินัยบาลีมุตตกะคำพีที่สอนให้เลี่ยงวินัยเมื่อจำเป็นแต่ตอนหลังก็เลิกเรียนไปที่ว่าเลี่ยงบาลีก็มาจากตรงนี้ ภิกษุกอให้ภิกษุขอไปจามหัวภิกษุขอบอกว่าให้จามด้วยคมให้ขวานไปให้จามด้วยคมขวานภิกษุขอไปตีด้วยสันไม่ได้เอาคมลงแต่เอาสันลงแล้วภิกษุขอตายภิกษุกอพ้นจากอาบัติเพราะว่าภิกษุขอผิดคำสั่งอย่างนี้แหละเลี่ยงบาลี จริงๆแล้วมันไม่ได้เขาตายมันก็ไม่พ้นต้องผิดผมเป็นห่วงเรื่องนี้ไม่ทราบจะทำให้เข้าใจผิดไปหรือเปล่าขอเพิ่มเติมว่าอย่างว่าพูดเท็จนี่ก็คือพูดเท็จเป็นมุสาวาตแต่ท่านถือว่าอะไรที่มันไม่เป็นโทษแก่ใครกลายเป็นคุณซะอีกถือว่าให้ประโยชน์แก่คนหลายๆคนอย่างนี้ พูดถึงศีลมุสาวาสนั้นขาดแน่แต่ไม่บาปคือต้องแยกให้ออกระหว่างธรรมกับวิ น, นัยอย่างเช่นว่าเขามาขอยืมสตางค์เรารู้ว่าคนนี้ยืมแล้วไม่ให้อยู่เป็นประจำก็บอกว่าไม่มีจะให้นี่ก็คือเจตนามุสาวาตแต่ไม่บาปท่านต้องเข้าใจในจุดนี้คือในหลักธรรมมีธรรมกับวิ น, นัยคือตัวศีลมันผิดแน่นอน แต่คุณธรรมไม่ผิดต้องพิจารณาหลายแง่หลายมุมนะครับรวมความแล้วอุเบกขาทำใจให้เป็นกลางเมื่อสุดวิสัยก็เป็นเรื่องลึกซึ้งอยู่ที่นิสัยของคนประการที่สองเว้นอคติสี่เพื่อดำรงความยุติธรรมอย่างพุทธพจน์ที่ว่าฉันดาโดสาพยาโมหา โยธ ร, รมมังอติวัตติผู้ใดล่วงทำเพราะฉันทาคติโทสาคติปยาคติโมหาคตินิฮียติตัดสยโสยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมกาลปักเขวะจันไดมาเหมือนดวงจันทร์ในการรัปากคือข้างแรมตรงกันข้ามผู้ใดไม่ล่วงธทำเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติ พยาคติยศของผู้นั้นย่อมเต็มเหมือนดวงจันในสุกกระปักคือข้างขึ้นดวงจันข้างขึ้นค่อยๆเต็มจนถึงเต็มดวงคำว่ายศก็ขยายออกไปหลายตัวเช่นว่าอิสริยะความเป็นใหญ่โภคะทรัพยบัติสัมมานะความนับถือกิตติเกียรติยศหมายถึงเกียรต วันนะพนันะเสียงสรรเสริญยกย่องและบริวารเพื่อให้ดำรงธรรมนี้อยู่เสมอก็ให้พิจารณาว่าคนเรามีวิบากในจิตไม่เหมือนกันบางคนก็มีอากุ s ลมากเขาทำอากุ s ลได้ง่ายทำากุศลได้ยากเขาก็มักจะไหลไปตามอาุศลไหลไปตามบาปทวนกระแสกับบุญบางคนมีวิบากดีในจิต เป็นคนมีกุศลมากตามภาษาบาลีเรียกว่ามีกุศลหนาขึ้นไหลไปตามบุญได้ง่ายท่วนกระแสกับบาปทำบาปได้ยากทำบุญได้ง่ายโดยทั่วไปก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของคนดีก็ อ, อยากให้คนอื่นดีเมื่อเขาดีไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์วางไม่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัว สามีภรรยาลูกพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดบางทีก็ทะเลาะกันเพราะว่าอีกคนก็หวังดีมากแต่อีกคนหนึ่งอกุศลละมูลมันเยอะมันไหลมาไม่ได้อย่างพ่อแม่อยากให้ลูกดีเรียนเก่งแต่ลูกก็เรียนไม่เก่งพ่อแม่เป็นทุกข์บางทีกลาบกันลูกอยากให้พ่อแม่ดี ก็พยายามเคี่ยวเข็นพ่อแม่ลูกเข้าวัดเข้าวาสวนใจธรรมะพ่อยังกินเหล้าเข้าบ่อนไก่อยู่แม่ก็ไม่เอาเรื่องพวกนี้เลยลูกก็อยากให้พ่อแม่หันมาทางนี้บ้างจะได้สบายใจเป็นห่วงปรโลกของท่านด้วยเลยกังวลแต่พ่อแม่ก็ไม่เชื่อตามก็ต้องคำนึงถึงธรรมสกตายานแต่ละคนมีการเป็นของของตน สัตเบสัตตากรรมมสัสสกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมันถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาอันนี้เวลาแผ่อุเบกขาเราแผ่อุเบกขาว่าสัตเบสัตตากรรมมสัสสกากรรมมดายาดากรร ม, มโยนีกรร ม, มบันทูกรร ม, มปติสรนาอย่างกรรมมังกริสันติ กัลยาณนางวาปาปกังวาตัดสะดายาดาพวิสันติสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งเป็นทายาทของกรรมเป็นผู้รับมรดกกรรมนึกถึงกรอนของท่านอาจารย์พลตรีหลวงวิจิตรทการรู้สึกว่าท่านเป็นอมาตะเหมือนกันนะครับ อันที่จริงเขาอยากให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินมันเป็นความจริงในสังคมและมักเอามาพูดในสังคมทําดีแต่อย่าให้เด่นแต่ทีนี้โดยธรรมชาติพอทําดีไปทําดีไปก็เด่นไปเองแม้เราไม่ต้องการเด่นมันก็เด่นไปเองเพราะธรรมชาติ น้ำมันมันลอยน้ำมันไม่จมธรรมชาติของหินมันจมเพราะฉะนั้นคนทำชั่วถึงไม่ต้องการให้จมมันก็จมอีนี้ก็มีวิธีเหมือนกันเกราะป้องกันคนเด่นก็คือการถ่อมตัวพอรู้ว่าเป็นคนเด่นคนดงังมีคนเคารพนับถือมากก็มีเกราะป้องกันคือการถ่อมตัวถ้าถ่อมตัวสม่ำเสมอก็เด่นได้ไม่มีคนหมั่นไส คาระวจะจะนิวาตุจะความเคารพต่อผู้อื่นอ่อนน้อมต่อผู้อื่นไม่โอ้อวดไม่แข็งกระด้างก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ที่วางใจกับลูกหลานไม่ได้ก็ขอให้นึกว่าลูกหลานมีชะตาชีวิตของเขาเองเราช่วยใครไม่ได้เท่าไรหรอกครับถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาคาตารตถาคตา สถาโคดเป็นแต่เพียงผู้บอกพระญาติใกล้ชิดท่านก็ช่วยไม่ได้ตกนรกกันเยอะแยะพระตาก็ตกนรกพระเทวทัตก็ตกนรกญาติทั้งนั้นเราช่วยเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองเราช่วยได้ในกรณีที่เขาช่วยตัวเองน้ําที่ทําให้เรือจมก็คือน้ําที่อยู่ในเรือไม่ใช่น้ํานอกเรือน้ํานอกเรือมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ทําให้จม ถ้าน้ำเริ่มเข้าเรือแล้วไม่เท่าไหร่เรือก็จมเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่แท้จริงก็คืออุปสรรคในตัวผู้นั้นเองสิ่งที่สร้างอุปสรรคก็คือจิตที่ตั้งไว้ผิดดิโสดิสังยันตังกยิราเวรีวาปะนเวรินังมิจฉาปะนิหิตตังจิตตังปาปิโยนังตตโตกระรีโจรเห็นโจร คนมีเวรเห็นคนมีเวรจะพึงทำร้ายให้กันก็ยังไม่เท่าจิตที่ตั้งไว้ผิดจิตที่ตั้งไว้ผิดทำร้ายได้มากกว่านั้นและในทางกลับกันจิตที่ตั้งไว้ถูกก็จะให้สมบัติที่ปิดามันดาญาติพี่น้องให้ไม่ได้ณตังมาตาปิตากะยิราอันเยวาปิตจายาตกาสัมมาปานิหิตังจิตัง เสยยสโสนางตะโตกเรจิต ท, ที่ตั้งไว้ชอบจะให้สมบัติได้ยิ่งกว่าสิ่งที่มารดาบิดาหรือญาติทั้งหลายให้ได้เราว่าความยุติธรรมสากลนั้นมีอยู่การลงโทษการให้รางวัลยังมีความยุติธรรมสากลคือกฎแห่งกรรมนั่นเองด้วยการปรงใจได้อย่างนี้ก็จะทำให้จิตเราสงบไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเกินไป ความวุ่นวายเกินไปนี่เป็นค่าสึกของอุเบกขาประการที่สามอุเบกขาในความสุขและความทุกข์ในความขึ้นลงของชีวิตอุเบกขาต่อโลกกะระมหรือความเป็นคู่คือราบเสื่อมราบยศเสื่อมยศ ด, ดินทาสันเสริญสุขทุกจิตของผู้ใดโลกกะระทถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวเป็นมงคลอันสูงสุด ขอย้ำเรื่องข้อควรระวังเกี่ยวกับพรหมวิหาร4คือเรื่องค่าสึกใกล้กับค่าสึกไกลค่าสึกใกล้กลคือค่าสึกที่แฝงเลนอยู่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นต้องระวังค่าสึกใกล้ของเมตตาก็คือความรักหรือราคะถ้ามีความเมตตามากเกินไปมันจะแปลไปเป็นความรักค่าสึกไกลหรือค่าสึกที่เปิดเผยคือตัวกิเลส ทีเมตตาจะไปฆ่าคือความโกรธและความพยาบาทค่าสึกใกล้ของกรุณาคือโทมนนัทคนที่มีความการุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์ทีนี้ถ้าอยากไปอยากไปเขาก็ไม่พ้นทุกข์สักทีก็เสียใจอันนี้เป็นค่าสึกที่แฝงเร้นเข้ามาต้องระวังอันนี้ถ้าการุณาแล้วไม่ให้มีโทมนนัทค่าสึกไกลหรือค่าสึกที่เปิดเผย ของการุณาก็คือวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนค่าสึกใกล้ของมุทิตาคือความร่าเริงเกินไปความฟุ้งซ่านเกินไปค่าสึกใกลของมุทิตาคือริเยาต้องเอามุทิตาไปค่าความริเยาค่าสึกใกล้ของอุเบกขาคือความขลาวหรือโมหะบางทีก็คิดว่าวางเฉยที่เรียกว่าเฉยงโง่คือไม่รู้ ท่าสึกไกลของอุเบกขาคือความยินดียินร้ายความวุ่นวายเกินไปอุเบกขาอยู่ก็กำจัดความยินดียินร้ายได้กำจัดความวุ่นวายเกินไปได้นี่เป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานอารมณ์ของสมาธิเพราะตอนนี้พูดถึงเรื่องการทำใจให้สงบการทำปัญญาสมถวิปัสนาเพื่อทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว พรหมวิหารคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ที่ประเสริฐเป็นธรรมที่อานวยประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างสูงประมาณไม่ได้ทำให้ผู้ประพฤติหรือผู้ที่อยู่ในพรหมวิหารเป็นที่รักที่เคารพของผู้เกี่ยวข้องทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งเดรัจฉานผู้ที่หวังจะพัฒนาชีวิตและจิตใจก็ควรหมั่นเจริญอบรมพรหมวิหารเนืองเนือง จะได้เห็นผลของพรหมวิหารข้อนั้นๆแน่นอนอันนี้เป็นอ น, นิสงส์อันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเพราะใครบ้างที่ไม่ควรมีเมตตาไม่ควรมีกรุณาไม่ควรมีมุทิตาเมื่อถึงที่สุดแล้วช่วยอะไรไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้อุเบกขาบ้างไม่ว่าทำใดๆต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันถึงจะได้ประโยชน์